2. องกายะสังสักะสิกขาบทถามเพราะการถูกต้องกายเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะการถูกต้องกายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างคือ 1. ภิกษุณีมีความกำหนัดยินดีการจับต้องกายของชายผู้กำหนัดบริเวณใต้รากขวัญลงมา หรือเหนือหัวเข่าขึ้นไปต้องอาบัตปาราชิก 2. ภิกษุใช้กายจับต้องกายต้องอาบัตสังคาทิเศษสามใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุลใจัย 4. ใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกด 5. ต้องอาบัตปาจิตตีเพราะจี้ด้วยนิ้วมือเพราะการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างเหล่านี้